นี่ก็เป็นการจำแนกจิตโดยฮะคือรูปกามอจรรูปาจรอรูปาจรก็เป็นโลกิยะจิตไปโลกุตระจิตก็เป็นพ้นโลกป่ะทีนี้ตรง จิตเป็นกลุ่มเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนได้มากมีอกุศล 12 อเหตุกจิต 18 และกามาวจร 24 รูปาวจร 5 วิบาก 5 กิริยา 5 นี่ อโลภาวจรจิตก็เป็นกุศล 4 วิบาก 4 กิริยา 4 รวมเป็น 12 นี่ทั้งหมดนี้เป็นโลกิย 40 ก็โลกุตตรจิต 8 ประกอบ 8 ประกอบ 8 ประกอบ 8 ประกอบด้วยปัญจมฌานอีก 8 ก็เลย 8 5 ผลเป็น 40 ที่ 40 เป็นซึ่งเราจะเคยคิดสงสัยมั้ยว่า อโลฌานใดเป็นบาทก็แล้วแต่นะท่านสงเคราะห์ลง แต่ตัวจิตที่ตัวองค์ฌานตัวฌานแล้วเหมือนกันเวลาทําวิปัสสนาเขาและ บางฌานนั้นอาจจะมีปรมัตถ์เช่นวิญญาณัญจารฐานฌานเนวสัญญานสัญญาตนัญชาญมีจิตเป็นอารมณ์แต่ ได้แล้วใช่มั้ยฮะตารางนี้ไปถึงตารางที่ 4 แผน 4 แสดงชาติแสดงจิต 4 ชาติในวัฒนธรรม 4 ชาติ กษัตริย์ตามแปรสุดจิตก็เลยมี 4 ชาติการเกิดโดยเรียกว่าจะเรียก 1 อกุศลชาติ 1 วิบากชาติ 1 กิริยาชาติ 1 นี่กับ ลำดับของจิตก็ถูกรวบเป็นหมวดเป็นหมู่ตามนัยยะนี้จิตที่เป็นกุศลที่เรียกกุศลจิตพอไปถึงชั้นหลังๆเค้าจะบอกกุศลจิต 21 เพิ่มเติมมากกว่านั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่เราจะต้องจิต 121 เนี่ยนะเค้าจะนั้นธรรมกุศลจิต 21 ก็ 8 มหากัตตคุศล 9 โดยรูปฌาน 5 อรูปฌาน 4 โลกุตตระกุศล 4 นี่ก็เป็นกามกุศลเป็นกุศลชั้นระดับชาวบ้านกุศลระดับนักบวชกุศลระดับพระอริยะ 3 ชั้นไปอกุศลจิตซึ่งเป็นอกุศลชาติก็ได้ เกรงใจเดี๋ยวจะแย่งกันตอบหนวกหูการเรียนกันกลุ่มเล็ก 2 มีโลภะ 8 โตสัท 2 หมอ 2 นะ กามวาจรรวิบากเป็นมรรคตวิบากหรือเป็นโลกุตตรวิบากคือไอ้แผนภูนมันทํายักเยื้องไปได้เยอะทําไม่ตายซะๆแล้วก็นะทําไม่ไม่ไม่ยากอะไร จิตที่เป็นผล 10 เนี่ยที่เราถือว่าจิตเมื่อตาจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยเป็นผลบาปผลเหมือนเราๆว่ากรรมกิเลสที่ แล้วอย่างน้อยกว่ากรรมจะต้องเป็นทางการใหญ่โตมีใบอนุโมทนามีใบเสร็จนะก็จะต้องถึงจะเป็นบุญถึงต้องพระๆกิเลสเราเกิด พร้อมกับกุศลเกิดเราไปอยู่ในที่ที่น่าชังมีแต่กิเลสเต็มแต่ว่าเออคนนี้ไปอยู่ในโรงหนังแล้วเนี่ยโคบาปตั้งแต่ ก็ได้บุญได้มั้ยคนคนก็อาจจะประกอบอาชีพอยู่ในแหล่งอบายมุขเขาก็ได้บุญได้ในที่เหล่านั้นเป็นขโมยกระโจนก็เป็นบุญได้เพียงแต่บุญมากบุญ เกิดขึ้นธรรมกิจที่ได้อธิบายมาพิสดารนะอ่าน 10 ที่เกิดขึ้นทางตา รู้ต่อจากตาเห็นดีเห็นไม่ดีสันเทนะจิตที่พิจารณาต่อจากอัมมติฉนะรับดีรับไม่ดีมาก็เป็นบุญมหาวิบากคือเป็นวิบากของมหากุศลจิตแล้วเวลาเกิดก็ คืออย่างมหาวิบัติที่ทําหน้าที่ภวังค์นี่ทีนี้เวลาเกิด แต่ทั้ง 2 อย่างคือทั้งทวิปัญจวิญญาณทั้งมหาวิปานี่อันหนึ่งนะแล้วเราตีราคาในแง่ของความเป็นบุญ ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าก็ตาเห็นรูปเนี่ยแล้วจะเจริญสติเห็นตรงนี้ก็จะเจริญได้เห็นรูปนี้ก็เจริญได้พัดเปลี่ยนเดียวเงี้ยนะอ่าจะต้องได้ยินอย่างนี้ทั้งวันดีๆทั้งวัน นี่คือส่วนดีของทวิปัญญาวิญญาณแต่ถ้าเป็นมหาวิบากรู้สึกเหมือนแหมทวิปัญญาวิญญาณเนี่ยมันเกิดคุณมากกว่าแต่มหาวิบากเนี่ยมันเกื้อกูล ไอ้เราจะไปเที่ยวดูตาเห็นดูหูฟังพิจารณาก็พิจารณาแล้ว ยังสติจะงอกงามได้แค่ไหนก็อยู่ที่ 2 ด้าน ไปเท่านั้นธรรมกิจเนี่ยจะเป็นกิจกิจในเชิงจริยธรรมหรือกิจในทางจิตอย่างอวชนะจิตเนี่ยมันไม่ใช่กิจในเชิงจริยธรรมไม่มีค่าทางจริยธรรมแต่เป็นกิจ คือถ้าพูดอย่างสำนวนเนี่ยบ้านหน่อยก็เดียวเป็นกิจในที่ อัมกิจถึงท่านก็ทําอะไรอะไรได้กิจเวลาท่านเข้าฌานเข้าสมาบัติก็เป็นกิจในเตนจริยธรรมเป็นกิจที่ เราก็พลิกไปดูประเด็นที่ 5 ผัดๆ5 นั้นแสดง 89 ที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศล ขยายความที่วาขยความออกมานิดนึงเนี่ยผมก็เกือบจะบางอย่างก็จะไม่ได้ขยายนะฮะเดี๋ยว นะอักกุศลก่อนก็จะเห็นว่าอกุศลมีอกุศล 12 โลภะ 8 โทสะ 2 โมหะ 2 กุศลจิตก็ 8 รูปาจารย์กุศล 5 รูปาจารย์กุศล 4 โลกุตตร 4 นี่กุศลจิต 36 มี 36 มีอกุศล 7 แล้วก็เหตุ 8 มหา 8 รูปาจารย์วิบาก 9 อรูปาจารย์วิบาก 5 อรูปาจารย์วิบาก 4 เนี่ยรวมเรียกว่าสเหตุกะกุศลวิบากรวม รวมเป็น 36 แล้วก็กิริยาจิตถึงมี 20 มีอวัจจนะกิริยา 2 อสตุปาตะมหากิริยารูปาวจรแล้วก็อรูปาวจรกิริยาตรงนี้ล่ะครับว่าเวลาที่ไปไปถึงชั้นสูงเนี่ยคน และจะเอ่ยว่ากุศลจิต 21 เราก็ 21 แล้วจะ 8 เป็นต้นแล 36 ไอ้ตรงนี้เนี่ยอยู่ อ่อโดยละเอียดนะว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อมาช่วยการบรรยายอย่างที่ทําวันนี้วิบากจิต 36 เราก็ดําเนินดาวอองวิบากมีอะไรบ้างแล้วเวลาเราเขียนออกมาว่าอเหตุกวิบากรวมอกุศลวิบาก 7 แล้ว แล้วก็มหาวิภาก 8 มรรคตวิภาก 9 แล้วก็โลกุตตรวิภาก 4 เรื่องดีบางคน 7 คือ 29 กระดันหรือจะ 15 สาเหตุกวิบัติที่เหลือก็ได้สาเหตุกวิบัติเท่าไหร่อะเหตุกวิบัติ 21 11 ใช่มั้ยฮะ 21 เนี่ยนี่ก็เป็นการแยก อัปปนาวิบัติกับกามวิบัติกามวิบัติก็เป็นอเหตุกะ 10 อ่าอกุศลนิบาต 7 อเหตุกะกุศลนิบาต 8 และมหาวิบัติ 8 นี่เรียกว่ากามวิบัติที่เหลือเรียกอัปปนาวิบัติเนี่ยได้ก็จดจดไม่ได้ก็ฟังให้รู้ว่ายักการยักย้ายนัยยะพูดเป็นชื่อต่างๆเนี่ยมัน ซึ่งในนี้ไม่ได้ทําเป็นพิศดานอย่างที่ได้พูด 20 กิริยาจิตนี่ก็เหมือน 3 สาเหตุ 17 เลยถ่าว่าอัปปนากิริยาคู่กับกามกิริยา 11 อัปปนา 9 นี่เป็นการแยกแยะในญาณพูดเป็นต่างๆอย่าง ในประเด็นที่ 6 แสดงจิตโดยกุศลและกิริยา 8 นี่ที่เรียกว่าโลกียกุศลโลกุตตระ ไม่พูดว่าโลกีย์โลกุตระอย่างที่ธรรมะระดับชาวบ้านพูดกันว่าธรรมะที่เป็นโลกิยะ กุศลที่เกิดขึ้นจตนาก็โลกิยะอยู่นั่นเองไม่เป็นโลกุตระเนี่ยโลกิยะกุศลก็มีกามชั้นกามกับชั้นมหากัตต ไม่แบ่งเป็นโลกิยะกิริยากับโลกุตตรกิริยาโลกุตตรกิริยาเนี่ยไม่มีภาษาพูดหรอกแต่ที่แบ่งเนี่ยแบ่งเพื่อใจ อ่าก็จะพูดแต่เพียงว่าทําไมโลกุตตระกิริยาจึงไม่มีเนี่ยเป็นกุศลกับเป็นวิบากเป็นได้ ฌานอรหันต์จะไปเข้ามรรคสักแต่ว่าเป็นมรรค วิบัติหรือผลเป็นกิริยาก็ไม่ได้ผลต้องเป็นวิบัติๆๆไปๆก็ไม่ได้ไอ้เพราะว่า 25 จบ 26 ชุดที่ 7 แสดงจิต 21 121 นะโดยกุศลอัตมากุศลอัตมาอปยากตาตมาที่ใน หมวด 3 แห่งอกุศลเอาเป็นนั้นหมวด 3 แห่งกุศลเป็นต้นอกุศลธรรมะกุศลธรรมะปยักกตาธรรมะคนไทยเราคุ้นกันดีเพราะ ยังไงก็อย่าไปอย่าไปถามท่านท่านเข้ามาแล้วกันมันถามท่านเรียน ในระดับฌานโลกุตตรกุศลเป็นกุศลธรรมอีกอย่างหนึ่งนั่นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเจริญกุศล หรือว่าธรรมฌานเป็นบาดสมาธิอ่ะเป็นบาดที่เป็นเครื่องอบรมโลกุตตรกุศลเป็นลําดับต่อไปเนี่ยเป็น ได้แก่อกุศล 12 อกุศล 72 โลภะโทสะโมหะอันจริงมันมี คำที่พยากรณ์ไม่ได้เสวยพยากรณ์ไม่ได้ว่าเป็นบุญบาปคือคําพยากรณ์มันจึงกล่าวชี้ชัดไม่ได้ มี 72 เนี่ยเวลาเค้าเอ่ยว่าอัพยากตจิต 72 อกุศลอกุศลจิต 12 แล้วก็กุศลธรรม 37 ที่ไอ้ 37 เนี่ย 21 น่ะ 72 นี่ 36 อ่ะ 36 อ่ะ 36 กิริยา 20 เป็น 56 ใช่มั้ยมี 56 นี่เพราะองค์วิสสทานมันก็เลยกลายเป็น 72 ก็มีอเหตุกจิต 18 8 มัคคิยา 8 9 มรรคตกิริยา 9 โลกุตตรวิบาก 8 คือ โดยย่อวิบากจิต 20 กิริยาเอ่อกิริยาจิต 20 36 โดยย่อ 72 นี้ก็มาถึงตรงหลายๆท่านก็อาจจะ ให้แผนม่าอันแรกล่ะอันแรกเลยที่จะต้องโกนจะและในสุดก็จะปล่อยจําตัวเลขชุดกลุ่มหลังๆได้ถึงจําให 8 กํานาจจิต ตัวนี้ผมได้เรียนแล้วว่าอโสคนะนั้นไม่ได้มีความหมายแค่ความเป็นอกุศลแล้วก็โสคนะไม่ได้มีความหมายแค่ความเป็นกุศลเพราะคําว่าโสคนะแปล ทางธรรมะในทางอภิธรรมเนี่ยนะให้ให้จําอย่างเงี้ยเอ่ออโสภณจิตนะ 25 ดวงฮะคือ ในแง่ของจริยธรรมเป็นสําคัญเป็นส่วนลรูปยอดประกอบโสภนาเจตอีก 25 จึงเป็นจิตที่ จริยธรรมแต่ไม่มีค่าทางกุศลกรรมธรรมอย่างเช่นพวกวิบากจิตหรือพวกกิริยาจิตเนี่ยไม่กับอโสภนาจิตก็ อโสภณจิตมีความหมายกว้างทีนี้ก็มาดูว่าเมื่อท่านนิยามว่าว่ากุศลจิตนั้นอะไม่เนี่ยมันมี 2 พวกอกุศลจิต 12 ไม่มีโสภณะเจตสิกประกอบเป็นจิต 18 ไม่มีโสภณะเจตสิกประกอบมันเป็นกิริยาจิตเป็นจิตเป็นอโสภณะฝ่ายกิริยาเอ่อผมจะ นะเช่นศรัทธาเจตสิกในโลภะโทสะโมหะไม่มีศรัทธาไม่มีสติไม่มีอุชุกตะตา มันไม่คร่องมันไม่ถูกโหถูกตานั่นในอกุศลไม่ สารอาหารลงไปหรือสารยาลงไปลงไปหรือสารยาลงไปอันนี้คืออเหตุกจิตเป็นอโสภนะเจตสิก ตัวประกอบมากประกอบน้อยประกอบแรงไม่แรงก็มีเรียกว่าเป็นโสปนาจิตได้ก็ได้แก่กามาวจรโสปนาจิต 24 มหากุศลมหาวิปางค์มาคญาณนั่นแหละครับรูปาวจรจิต มีปัสสัทธิคือความระงับความสงบระงับของจิตหมาก อ่าว่าเราไม่ทําความชั่วแต่ก็ไม่ทําดีข้อ 1 นะนี่พูดอย่างคร่าวๆหยาบๆไม่ทําความดีในบางอย่างคนที่ไม่ทําชั่วความบริสุทธิ์นั้นมาทําดีก็เป็นอีกอย่างอ่าทีก็มาดูหลังประเด็นที่ นะ, 9 แสดงจิตโดยโยคะ และโดยสังขารไม่ทราบว่าชัดเจนเปล่าครับแสดงจิตโดยโยคะและโดยสังขารโดยโยคะ แล้วก็อย่างเช่นโลภะมูลจิต 8 ชั้นจะใช้คําว่าโยคะจิตที่มีโยคะ ที่เป็นทิฏฐิกัตตะสัมปยุตโทสะโมหะจิต 2 เป็นปฏิฆาสัมปยุตเนี่ยยกเอาเจตสิกเอาความชั่วบางอย่างที่เป็น ก็อ้างกิเลสตัวไล่ๆอ่ะมาเป็นเครื่องประกอบถ้าเป็นกุศลก็อ้างปัญญาเป็น รูปาวจรกุศลจิต 15 เป็นโยคะมีปัญญาประกอบคนทําการในมีปัญญาประกอบอยู่โยคะฝ่ายกุศลจิตเนี่ยฝ่ายโสภณจิตเนี่ยโยคะ ฝ่ายอกุศลนั้นเอาทิฏฐิในโลภะเอานั่นเอาอุทธัจจะสามยุตกับวิจิกิจฉาสามยุตเป็นก็จะเห็นว่าโมหะ แต่ต่างตัวกันโทสะนั่นก็เป็นยก 2 ดวงแต่ตัวเดียวกันโทสะหรือ 89 ตัวอีกที ของอกุศลมีกี่ตัว 4 ใช่มั้ยคือทิฏฐิปฏิฆะอริเนี่ยเอา 4 ส่วนกุศลหรือโสภณจิตนั้น คือไม่มีโยคะโลภะ 4 อเหตุกะจิต 18 ไม่ประกอบไม่ประกอบด้วยยานไม่ประกอบไมไม 4 มหาวิบัติ 4 4 ที่เป็นยานนวิปปยุตต์ เซียนี้มาดูสังขารสังขารแปลว่าเครื่องกระตุ้นคือเรื่องของจิต สัสังขาริกกจิตมี 52 โยม 89 มาดูอสังขาริกก่อนว่าจิตที่ไม่มีสังขาร 1 ที่ มีสังขารกระตุ้นเตือนโมหะมูลจิต 2 สงเคราะห์เป็นอสังขาริกเกิดขึ้นเองโดยไม่มี 18 สงเคราะห์เป็นอสังขาริกเนี่ยตามนัยยะนี้นะคือคือเรื่องของการสงเคราะห์ตรงนี้ ที่เป็นอสังขาริกมหาวิภังอสังขาริกมหิยอสังขาริกเป็นอสังขาริกนะคือถ้าเป็นจิตใดที่เค้าระบุท้ายนะในคัมภีร์ระบุเนี่ยอายตนะ 48 นะ ตึงรุ่นฎีกาก็มาอภิปรายกันแล้วว่าจะจัดเป็นไม่ไม่ต้องจัดหรอกไม่มีชื่อบอกก็อย่าไปจัด ทรงคู่ในระดับผู้สอนฟังถึงกันมีการอภิปรายโต้เถียง เหล่านี้จัดเป็นสัสสังคาลิกะหรืออะไรคือโลภะมูลจิต 4 ที่ระบุว่าเป็นสัสสังคาลิกะเมกังอันนี้ที่จัดว่าเป็นสัสสังคาลิกะเมกังก็ไม่มีปัญหามหากุศลมหาวิบางมหากิยาที่ระบุว่าส่วนรูปาวจรอรูปาวจร มันก็มีปัญหานี้ต้องมีล่ะครับที่ท่านอรรถกถาท่านได้อ่าสงเคราะห์ว่าเอเรื่องใครมีใครบ้างจะไปนั่งชักโยงว่าไหนมรรคไหน จะจ้างชาววานจะเสียข้าลิตายยังไงฉันก็ยอมได้มั้ยฮะไม่ได้ยิ่งให้คนมานั่งเกลือกกล่อมมันจะ สิ่งเหล่านี้แหละที่จากจิตเหล่านี้ตัวชักจูงเป็น แล้วก็ใช้เป็นหลักทั่วๆไปแม้ผู้ที่ทําฌานก็เรารู้อยู่ว่าฌานฌานเนี่ยจะต้อง อ่านนั้นเป็นตัวบรรลุโดยอาศัยมากุศลเป็นตัวชักจูงอย่างว่าชักจูงยังไงคนทําฌานเนี่ยอย่าตันหนีเลยอย่าหวงเลย เล่าคิดเออนั่งในเก้าอี้เหล่าควรจะเนี่ยกรณีนี้เราควรจะทําเพราะเราจะต้องนึกเป็นบวชเถอะนะสละ ตอนนั้นจิตน่ะมันอยู่กับอารมณ์ต้องลืมคิดหวานล้อมไม่มีความคิดหวานล้อมแต่ท่านก็พยายามบอกว่าไอ้ ในภูมิต่างๆผมขอๆเพิ่มเติมด้วยจน 27 ผมมีสิ่งตกค้างจากการสรุปพระภิกษุธรรมนิดนึงฮะเพราะว่าคราวที่ไปตอนหยุด ทางไกรมีเอกสารชุดที่ 27 ก็เอามาดูประกอบตาม จิตที่เกิดเนี่ยในกามภูมิ 11 กามภูมิ 11 นั้นไม่ได้แบ่งว่าภูมิได้มั้ยได้มนุษย์อริยะบุคคลก็มีเทวดาอริยะบุคคลก็ได้ ในกามภูมิ 11 เนี่ยจึงมีจิตเกิดขึ้นได้ทั้งจิต 15 รูป 15 ชั้นก็มีจิตเกิดขึ้นทั้งจิตสูงจิต <ม. S 1> อกุศล 10 ที่เหลือเกิดได้ใครตรงอรูปเนี่ยถ้าเหตุกจิตเกิด 18 ที่เกิด 2 ดวง 2 ดวง 2 ดวงน่ะ 6 เป็นรวมเป็น 6 ดวงเกิดไม่ได้ก็อะไรก็ชมไม่มีฆานัพประสาทจึงไม่มีฆานะวิญญาณไม่มีชีวหาประสาทจึงไม่มีชีวหาวิญญาณไม่มีกายะประสาทจึงไม่มีกายะ รูปความเสียอกุศล 12 เกิดได้ 10 โทสะไม่มีและโลกุตตระจิตที่เป็นกุศลเก 3 โสดาปัตติมรรคเกิดไม่ได้หมาย ธรรมปกติเนี่ยมันรู้ไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะ ของผมนั้นไม่มีปัญจทวารเลยนั้นพวกอเหตุกจิตทวิปัญจวิญญาณ 10 อะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสรุปเป็นส่วนคือที่ <c oughs> จิตบางพวกเนี่ยเป็นวัฏฐานะจิตบางพวกเป็นอวัฏฐานะจิตคือวัฏฐานะและอวัฏฐานะคําว่าวัฏฐานะอย่างเดียว อย่างเช่นโทสะเนี่ยเป็นกามาวจรจิตก็เกิดเฉพาะในกามาวจรภูมิไม่เกิดนะจิต ที่มีภูมิจิตอย่างใดมีภูมิจิตอย่างใดเกิดในภูมิสัตว์ตามนั้นเรียกว่าวัฒนานะแล้วก็อรูปะมหาวิบาก มาพูดถึงวัฒฐานอวตารนะผมข้ามมานี้ก่อนที่จะพูดถึง มหากุศลก็เหมือนกันในนรกก็ได้ในพรหมก็ได้มหากิริยาเกิด <c oughs> ก็เกิดในมนุษย์ก็ได้มนุษย์ที่ได้รูปฌานแล้วก็เกิดในอรูปพรหม โลกุตตระภูมิอยู่ไหนไม่รู้โลกุตตระจิตจึงไม่ได้เกิดที่นิพพานจึงเป็นที่ เปลกแต่ไม่ได้เวลาเกิดไม่เกิดล่ะแต่ไม่ได้เวลาเกิด <c oughs> ที่ได้มาสนทนาธรรมที่ได้มาแสดงธรรมอ่าที่ได้มาอ่าสวดมนต์ส่วนตัวและที่ทําโดย <c oughs> อันหมดเป็นสิ่งมีอนุภาพนี้